ธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วใครเล่าที่ละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดพระสมณะโคโดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กสปะ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 คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสันเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้น mm hmm. ยังมีอีกขัสปะ วินยุชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่ซาว ก, กับหมู่ซาวกว่าทาของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดี ใรเล่าที่สมาทานประพฤติ ธ, ธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนพระสมณโคโดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กระสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐ และที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีพระสมณะโคโดมสะมาทานประพฤติ ธ, ธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซยไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสันเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกัสปะวินยูชนเมื่อซักไซ่ไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดา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 มูสาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสันเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกระสับวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดามู่สาวกกับหมูสาวกว่าทำของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศล ที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสกก็จัดว่าควรเสกที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีใครเล่าที่สมาทานประพฤติ ธ, ธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนมูซาวกของพระสมณโคดมหรือว่ามูซาวก ข, ของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กาสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีมูสาวกของพระสมณโคโดมสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือว่ามูสาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้น วินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสันเสิลพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นอริยมัชมีองค์8กรสปะมีทางมีข้อปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณโคดมตรัดถูกเวลาตรัดคำจริงตรัดอิงประโยชน์ตรัดอิงธรรมตรัดอิงวินัยกรสปะอะไรคือทางอะไรคือข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณโคดมตรัดถูกเวลาตรัดคำจริงตรัดอิงประโยชน์ตรัดอิงธรรมตรัสอิงวินัย มัคมีองค์แดอันประเสริฐเหล่านี้คือสามมาทิฏฐิเห็นชอบสามมาสังกัปปะดำริชอบสามมาวาจาเจรจาชอบสามมากรรมันตะกระทำชอบสามมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสามมาสติระลึกชอบและสามมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบกระสปะนี้แลคือทางคือข้อปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณะโคดมตรัถูกเวลาตรัดคำจริงตรัดอิงประโยชน์ตรัดอิงธรรมตรัดอิงวินัยว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะ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 ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นคือกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินยางเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินโคไมเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นย่างชีพการบำเพ็ญตะบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและพรหมัญญคุณของสมณพราหมณ์เหล่านั้นคือนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าหอ่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งหม่มหนังเสือนุ่งหม่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรอง นุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผ ล, ลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระย่งคือถือการเดินกระย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้านอนบนหนามนอนบนแผ่นกระดาน นอนบนเนินดินนอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นคลุกตัวอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ปูไว้บริโภคคู่คือถือการบริโภคคู่ไม่ดื่มน้าเย็นคือถือการไม่ดื่มน้ำเย็นอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำ ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตะบะที่ไร้ประโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรสปะแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเรียมือและถึงถือการบริโภคอาหาร15้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ศีลสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้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 กินข้าวฟ่างเป็นอาหารละถึงกินเงาวและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นยังชีพศีลสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณะพราหมณ์นั้นอบรมทําให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลาจากสามัญญคุณและพรห ม, มัญญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทําให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างแม้ถ้าสมณะพรามเป็นผู้นุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันละถึงอาบน้าวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำศีล ส, สัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทา ก็ยังไม่เป็นอันสมณะพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญคุณและพรหมัญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพราหมณ์บ้าง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจลกัสปะกราบทูลว่าท่านพระโคดมสามัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่สามัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอาเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือ ละถึงถือการบริโภคอาหารสิบ้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ถ้าสามัญญคุณหรือพรหมัญญคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทําได้ยากแสนยากจากมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบําเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทําได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทําได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุคร้าหบดี แม้กระทั่งนางกลุ่มพระทาสีก็อาจจะทำสามัญญคุณและพรหมัญคุณนั้นได้ด้วยกล่าวว่าเอาเถอะเราจะเป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือละถึงถือการบริโภคอาหาร15้าวันต่อนหนึ่งมื้อเช่นนี้เพราะสามัญญคุณหรือพรหมัญญคุณจักได้ชื่อว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ และจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากหากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้าง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 สามั ญ, ญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะขาหาบดีหรือบุตขหาบดีแม้กระทั่งนางกลุมพระทาสีก็อาจจะทำสามัญคุณและพรหมัญคุณนั่นได้ด้วยกล่าวว่าเอาเถอะเราจะกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารละถึงกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นยังชีพ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 เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพราหมณ์บ้างแม้ถ้าสมณะพราหมณ์เป็นผู้นุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันและถึงอาบน้ําวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ําถ้าสามัญคุณหรือพรหมัญคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากจากมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ และด้วยการบัมเพนตบาดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรมัญญคุณเป็นกิจที่ทาได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุตรขหาบดีแม้กระทั่งนางกุมพทาสีก็อาจจะทำสามัญญคุณหรือพรหมัญญคุณนั้นได้ด้วยกล่าวว่าเอ้าเถอะเราจะนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันละถึงอาบน้าวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้า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 เป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณะพราหมณ์เป็นอาเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือและถึงถือการบริโภค15วันตอนหนึ่งมื้อเช่นนี้ถ้าสมณะหรือพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากจากมีได้ด้วยการปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยาก พร า, มร า, พร า, ารหรรารม์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุตข้าบดีแม้กระทั่งนางกุมภพระทาสีก็อาจรู้จากสมณะและพราหม์นั้นได้ด้วยกล่าวว่าผู้นี้เป็นอเจรกะไม่มีมารยาทเลียมือละถึงถือการบริโภคอาหารส5้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้เพราะสมณะหรือพราหม์จักได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อ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 พรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุตคขาบดีแม้กระทั่งนางกุมภธาสีก็อาจรู้จักสมณะและพรามนั้นได้ด้วยกล่าวว่าผู้นี้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารและถึงกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นยังชีพเพราะสมณะหรือพรามจักได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อ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 ภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจและกัสปะทูลถามว่าท่านพระโคโดมศีลสัมปทานนั้นเป็นอย่างไร จิตสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะตะถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้และเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เพื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จะเป็นศีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึ่งและถึง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 สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลนี้แลเป็นศีลสัมปทาละถึงบรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตฌานอยู่นี้แลเป็นจิตตสัมปทาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ละถึงภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญานัศนะละถึงรู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แหละเป็นปัญญาสัมปทากาสปะศีลสัมปทาจิตสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและปราณี ก, กว่าศีลสัมปทาจิตสัมปทาและปัญญาสัมปทานี้ไม่มีอีกแล้ว ว่าด้วยทรงบันเลือยอย่างองอาจดังพยาราชสีกระสปะมีสมณพราหมูพวกหนึ่งพูดเรื่องศีลกล่าวสรรเสริญศีลมากมายศีลอันยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่เรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในศีลอันยอดเยี่ยมคืออธิศีลกรสปะ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องตาบะที่กีดกันกิเลสกล่าวสรรเสริญตบะที่กีดกันกิเ ล, ลสมากมายตาบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่เรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในตบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมคืออาิเชคุชะ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 แต่ทรงบรรเลงในเรือนว่างเท่านั้นไม่ทรงบรรเลงในบริษัทเลยท่านพึงมบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณาโคดมทรงบรรเลงศรีหนาทและทรงบรรเลงในบริษัทด้วยกระสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอัญญะเดรธีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณาโคดมทรงบรรเลือสีหนาทและทรงบรรเลในบริษัทแต่ไม่ทรงบรรเล อ, อย่างองอาจ ท่านพื่บอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณะโคโดมทรงบรรลือสีหนาตและทรงบรรลลอในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลื อ, อย่างอง์อาจด้วยกัสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกัญญาเรตีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมทรงบรรลือสีหนนาตและทรงบรรลลอในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลง อ, อย่างองอาจ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 และพวกเขาแสดงออกแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามและพวกเขาปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ชื่นชมยินดีท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณาโคโดมทรงบรรเลงศีหานาททรงบรรเลงในบริษัทและทรงบรรเลง อ, อย่างองอาจเทวดาและมนุษย์พากันทูลถามปัญหาพระองค์ทรงตอบได้พระองค์ทรงทาให้ผู้ถามพอใจได้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 กัสปะครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชคฤห์เพื่อนโพรมจารีคนหนึ่งของท่านในกรุงราชคฤชื่อนิโครทะปริภาชกได้ถามปัญหาเรื่องตะบะที่กีดการกิเลสอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราตอบคำถามเขาก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากอาเจละกัสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากระสปะผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีประสงค์จะบรญชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อพิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นพิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หาผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีประสงค์จะบรัญรชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรญชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสี่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรญชาอุปสมบทเป็นภิกษุ อาเจและกัสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อบทแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมุ่ง ม, มั่นพระนิพพานอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจา ร, รย์อันยอดเยี่ยมที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้ว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 โปทป้าทสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อโปทป้าทะเรื่องโปทป้าทะปริภาชกเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีในสมัยนั้นโปทป้าทะปริภาชกพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ 3,000 รูป พักอยู่ในพระราชอุทยานของพระนางมัลลิกาชื่อเอกสารละกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิรายล้อมด้วยต้นมะพร้าวเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบาตพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดี เราควรเข้าไปหาโปทปาทะปริภาชกในพระราชอุทยานของพระนางมัลลิกาชื่อเอกสารกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลทัทธิจึงเสด็จเข้าไปที่พระราชอุทยานของพระนางมัลลิกาชื่อเอกสารกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลทัทธิเวลานั้นโปทปาธะปริภาชกกำลังนั่งสนทนาด้วยเสียงดังอื้อๆ อยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ถึงเดรัชันกรถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องไั่เรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องยากเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบท เรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมโพธปาทปริพาชกเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองค์โปรดเสียงเบาตรสัสรรเสรินเสียงเบาบางทีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาอาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้เมื่อเขากล่าวอย่างนี้ปริภาชกเหล่านั้นจึงได้เงียบทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาโปดปะตปริภาชกโปตปาตาปริภาชกจึงทูลเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิด ขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี่ขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ส่วนโปธปาทะปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ํากว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าโปธปาทะ เวลานี้พวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้